หกสิบโคตเตนะอนุสาวนานุชานาว่าด้วยทรงอนุญาตอุปสมบทกรรมโดยสวดระบุโคตของอุปัชาเรื่องพระมหากัสสปะนิมนทพระอานนท์มาสวดนหน้าข้อ122สมัยนั้นท่านพระมหากัสสปะมีอุปสัมปทาเปคข ท่านจึงส่งทูตไปในสำนักพระอ น, นุลให้นิมนต์ว่าท่านอา น, นุ์จงมาสวดอุปสัมบทาเปกขานี้พระอ น, นุลตอบไปว่ากระผมไม่สามารถจะระบุนามของพระเถระได้เพราะพระเถระเป็นที่เคารพของกระผมภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สวดระบุโคดได้